ละยี่สิบเจ็ดสมณเณหนึ่งสมณเ น, ม, ม, เนมาจากวัดบางน้อยบางน้อยอยุธยาที่ส่งไปเรียนหนังสือหลายรุ่นนะนะบางรุ่นได้ปทศเก้าก็มีปทศ่สองปทศสามปทศเจ็ดกลับมาเยี่ยมบ้านสมณเนสมณเนหมดแล้วแถบกรรมฐานเนี่ย เพราะว่าเมืองไทยเขามีกฎให้เด็กเรียนหนังสือให้จบม .6 ให้เรียนหนังสือภาคบังคับจบม .6 นะนักเรียนก็นเรียนไปเรื่อยๆจนจบม .6 พอจบม .6 ก็เกือบจะเป็นพระแล้วนะท่านนี่จะเข้ามาบวชเป็นเนรก็อ า, ายเลยไม่บวชเหมือนกันไต่ขอบวชเป็นพระไปเลยนะและก็บางคนพอจบป .6 แล้วก็ส่งเข้าวัดแต่ เขาวัดนนต้องเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนต่อเรียนอีกมหนึ่งมสองมสามมสี่มห้ามหกอีกเรียนเป็นสมัครเณรสมัคเนเนเรียนหนังสืออันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่กรรมฐานของเราเนี่ยพระปานไม่ได้เรียนเลยมีแต่สอนทางภาคปฏิบัติสอนเรื่องพระพุทธศาสนาสอนภาคปฏิบัติไม่ได้สอนทางฝ่าย ปฐมมัธยมเหมือนกับทางปกครองเขาแต่ว่าสอนภาคปฏิบัติอย่างพระกรรมฐานสายลุงปูมั่นเนี่ยก็สอนอีกแนวหนึ่งอีกเหมือนกันนะสอนภาคปฏิบัติสายลุงปูมั่นเนี่ยท่านสอนแบบมหาวิทยาลัยเปิดเหมือนกันนะ่ยท่านไม่ได้สอนแบบมหาวิทยาลัยปิดมหาวิทยาลัยปิดก็คือ จุราธรรมศาสตร์เนี่ยต้องเข้าโรงเรียนต้องศึกษานะครูบาอาจารย์แนแนวทุกวี่ทุกวันนะแต่มหาวิทยาลัยเปิดก็คือลามคำแหงสุขโขทัยยนะันแล้วสายหลวงปู่มั่นเนี่ยจะลักษณะลามคำแหงกับสุขโขทยัยธรรมธิราชมากที่เดียวแล้วงั้นเ่ะเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้จำจี้จำชัยในการปฏิบัติ แต่ถ้าว่าองค์ไหนสนใจองค์ไหนใส่ใจองค์ไหนมุ่งมั่นองค์นั้นก็จะได้ได้อัดได้ทําไปแต่ถ้าองค์ไหนมาแล้วก็อยู่เฉยๆเพราะท่านไม่ได้บังคับเนี่ยอพราะี่สุดองค์นั้นก็ตะเลงละลายหายไปเองอยู่ไม่ได้ในศาสนาพอมันร้อนเมืองงนกัถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันร้อนนะ มันที่ไหนมันร้อนไม่ใช่กายร้อนนะกายร้อนอาบน้ำพอเอ็นอาบน้ำก็เย็นแล้วก็เข้าห้องแอร์ก็เย็นแต่ใจร้อนเนี่ยั้งอยู่ในห้องแอร์มันก็ยังร้อนอยู่งั้นอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนอยู่มันอยู่ไม่ได้ออันนี้คือใจร้อนแต่ถ้าว่าได้นำทมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงปู่หลวงตาที่ท่าน นำมาแนะนําสั่งสอนถ้าเราประพฤติปฏิบัติทั้งอกตั้งใจภาวนาะทั้งอกตั้งใจภาวนาทั้งอก ท, ทั้ ง, ทงใจประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วจิตใจของเราก็จะสงบพรมเย็นลงไปเรื่อยๆเหมือนกับไฟไฟในใจของเรามันมอดลงไปเรื่อยๆอย่างงั้นเย็นลงไปเรื่อยๆจากนั้นความสงบสุข ก็เกิดขึ้นในในองค์นั้นแต่ถ้าว่าพอบวชเข้ามาแล้วจะคิดว่าเออไม่ได้ทำการไม่ได้ทำงานอยู่เป็นวันวันไปหรือว่าภาวนาก็ น, น้อยไม่จริงจังเชื่อบังไม่เชื่อบังอีกต่างหากจากนั้นก็ภาวนาไปบ้างสนุกสนานคบกับปู่กับเพื่อนไปบ้างพูดคุยไปบ้างลักษณะอย่างนี้ แต่กิเลสภายในใจตัวหนึ่งแนะกิเลสราคะาตัวนี้เนี่ยมันจะแทรกขึ้นมาในชนกลุ่มนั้นในพระกลุ่มนั้นจะอยู่ในาศาสนาลำบาการ้อนเหมือนกันแต่ถ้านำทำคำสังสอนของหลวงปู่หลวงตา ม, มาประพฤติปฏิบัติแล้วที่ท่านแนะนำให้พิจารณานะให้ภาวนานะทำจิตใจให้สงบนะภาวนาสมาธินะ แต่ละวีตลวันให้ทำสมาธิให้ได้ซะก่อนเป็นพื้นฐานเมื่อสมาธิจิตเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาอยากจะให้จิตสงบกับภาวนาพุทโธเวลาเดินโยกมกับขาขวาพุทขาซ้ายโทมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินทุกเรียบทการเคลื่อนไหว น, นี้คือการเดินการเคลื่อนไหวถึงจะปัดควาด ถือไม้กวาดเข้าไปเขาเวียงซ้ายพุทธเวียงขวาโถพุทธโทพุทธโ ท, โทมีสติในการทำงานอันนี้คือทำจิตใจให้สงบจากนั้นพอจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณาทางปัญญาที้ใจของเราช่วงไหนที่มันปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกเราคิดไปอะไรอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนนะ เราจะต้องตายนะเราจะต้องตายนะไม่รู้ว่าวันไหนอันนี้ก็คือการคล้ายๆกับว่าไม่ให้จิตคิดออกงอกลูกทางให้คิดอยู่ในอัดในธรรมอืมแต่ถ้าว่าเราปูงฟุ้งออกไปข้างนอกเออเราอยู่อย่างนี้หละเราเป็นพระอย่างนี้ชีวิตนี้ เราเป็นอยู่อย่างนี้น่าจะเพียงพอน่าจะเหมาะสมแล้วแต่เราออกไปภายนอกนั้นเราจะต้องได้ทํากรรมที่ไม่พึงจะทํามีมากนะเราเกิดมาชาตินี้เราจะมาสร้างกรรมชั่วหรือเราจะมาสร้างกรรมดีเราจะมาสร้างบุญหรือเราจะมาสร้างบาปเราเกิดมาในชาตินี้อันนี้เราจะถามตนเอง ถ้ามาเกิดมาสร้างบุญทางที่เป็นบุญนั่นคืออย่างไงทางที่จะเป็นบาปนั้นคืออย่างไรใอ้คิดดูให้ดีซิอันนี้เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลนะจากนั้นจิตของเรามันก็หวนกลับอันนี้คือวิธีการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานอยู่กับครูบาอาจารย์จากนั้นก็พิจารณาถึงมรณะนุสติจากนั้นก็แยกแยะร่างกาย ของเราส่วนต่างๆพิจารณาถึงไตรหลักษณอันใดอยงทุกขังอนาตาในร่างกายของเราในเมื่อพิจารณาร่างกายแย่แย่ทุกอย่างแล้วเนี่ยอันไหนคือเราอันไหนคือของเราเใจของเรามันก็จะรู้เท่ารู้ทันจิตใจก็ไม่วันว่นวายกลวยแกว้งเลยจิตใจก็เข้าสู่ความสงบจิตใจก็เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาได้อันนี้ก็คือชีวิตของพระกรรมฐานนะ พระธุดงค์ที่อยู่ในป่าดงพงไพ่ไม่ใช่สู้กับความยากลําบากเพียงแค่นั้นนะมันสู้กับใจสู้กับใจที่นหนักมากอถ้าพวกเราได้มาศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าเรื่องการเป็นอยู่ยังไงเราก็พออยู่ไหวอยู่ได้ทนยากลําบากแต่สู้กับอารมณ์ทางใจเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแต่เราคิดภายนอกอะเมื่อสมัยเราเป็นครวญญาติโยม เราก็คิดอยากจะบวชบวชเข้าไปนี่จะต้องเป็นอย่างนุ้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเราคาดหวังไว้นะแต่บางทีการคาดหวังนั้นผิดเป้าหมายก็มีนะแต่บางคนก็สมหวังลังปรารถนาก็มีแต่บางคนว่าพอยังไม่ได้บวชว่าข้าพเจ้าจะไม่ศึกละบวชคราวนี้ข้าพเจ้าจะไม่ศึกอันนั้นอย่าเพิ่งพูดเนี่ยอย่าเพิ่งพูดเอาไว้ในใจของเราก่อน นั่นแหละจนวาระสุดท้ายเลยเราจึงคิดว่าในชาตินี้ข้าพเจ้าบดจะไม่ศึกก็ไม่ศึกจริงๆไ ง, งยังค่อยพูดในช่วงนั้นแต่เราไปพูดก่อนเนบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่หันหลังกลับธรรมดานะมันตีลังกากลับเพราะงั้นไนี่ในช่วงที่มันตีลังกากลับนี่สิเราไม่รู้จะไปมุดอยู่ที่ไหนสินเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจของเราใจของเราเด็ดขาดจริงๆ หลวงพ่ อ, อยังแนะนำพระอย่างพระพลังเข้าถามปัญหาหลวงพ่อผมอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้รับความสงบปร่เย็นเป็นสุขดีแต่ผมอยากจะออกไปอยู่ตามลำพังคงจะภาวนาคงจะดีกว่านี้ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยมีภาระทุระจะต้องรับผิดชอบบางทีแขกคนมากู่บาอาจารย์ก็ต้องให้ดูแลที่พักพาอาศัยปัดกวาดทาความสะอาด ดูแลที่อยู่ที่พักพาอาศัยข้าวน้ำอาหารที่ครูบาอาจารย์มาพักวัดหรือว่าญาติโยมมาเกี่ยวข้องเป็นภาระเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราออกไปอยู่ตามลำพังไปอยู่ในป่าภาวนาลูกเดียวเนี่ยคงจะดีกว่านะพระฝรังท่านถามจากนั้นผมก็ได้ลาครูบาอาจารย์ไปภาวนาในป่าพอไปภาวนาในป่าทีนี้มันไม่เป็นอย่างที่คิด คิดไว้เนคือเข้ามาต้องสงบจริงๆไม่ได้พูดได้คุยกับใครจากนั้นพอไปอยู่จริงๆมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะไปอยู่ตามลําพังได้ยังไงเนียที่พักพาอาศัยก็ต้องอาศัยญาติโ ย, ยมอุปถัมภะถาดดูแลจากนั้นกับคนนั้นมาหาคนนี้มาหามาพูดมาคุยมาสนทนาปารกใจของเรามันไม่มีหลักอยู่แล้วใจมันโรนเลอยู่แล้วที่จะออกไป เพื่อจะไปหาหลักพ่อกลับไปอีกก็ยิ่งไปเจอมอรสุมภายนอกเขาอีกเถก็ยิ่งไปให้ไปอีกเถอะผลี่สุดมันคว้าไมา่อยู่มันคว้าหลักไม่อยู่ทมันอยากจะสึกถึงในท่านว่านะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ท่านอาจารย์จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนี่แหะพระฝรังท่านถามแต่ท่านไม่ได้หยุดในวัดนี้นะท่านอยู่วัดอื่นท่านมาถามหลวงพ่อเขาไม่มีทางอื่น นอกจากใจของเราเด็ดเดี่ยวว่าเราคิดไว้แล้วว่าชีวิตนี้เราจะฝังไว้ในพระพุทธศาสนาพราะเราได้คิดดีแล้วก่อนที่เราจะเข้ามาบวชเราคิดดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรอบด้านแลวทั้งโลกก็คิดจนจบจนถึงวันตายถ้าว่าเป็นทางธรรมถ้าบวชเข้ามาแล้วก็คิดถึงวันตายเราบวชแล้วเราจะวางแผนยังไง เราจะรักษาศีลภาวนาปฏิบัติอย่างไรจะอยู่ในสมมติฐานยังไงเราจะหาทางพ้นทุกในวัตะสงสารเท่านั้นเราก็คิดอย่างนี้เราไม่ได้บวชมาเพื่อแสวงหาราบยศสนเสริญสุขในภายนอกถ้าเราต้องการราบยศสนเสริญสุขเราเป็นครวัตเราสแสวงหาการเป็นอยู่ของเราก็เป็นไปได้แต่เมื่อเราเข้าไปเป็นนักพรตนักบวชแล้วเราต้องตัดทุกอย่าง เพื่อหวังทางพ้นทุกเท่านั้นนะคนที่หวังทางพ้นทุกนะ์เนี่ยจะไม่มีปัญหานะ่ะเพราะจิตใจมันไหลในช่องลงช่องเดียวมีแต่ส่แสวงเพื่อจะทํำยังไงจริงจะเพิกจิตเพิกใจที่จะพ้นทุกในวัฏสงสารนะอันนั้นไม่มีปัญหาแต่นี่พอออกไปได้ที่คนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องใจมันก็ลอยพอลอยแล้วก็อยากจะสิ้นแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรหลวงพ่อก็แนะนําว่าไม่มีอย่างอื่นแล้ว ต้องกลับปลํากลับปลาคือหันหลังกลับมาก่อนหันหลังกลับมาก่อนก็นี่แหละหมผ้าสุเวียงบาเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบพระประธานจะจุดทูบเทียนก็ได้ไม่จุดก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานเลชีวิตทั้งชีวิตข้าพเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะไม่เป็นอย่างอื่นในชาตินี้เพราะข้าพเจ้าคิดดีทั้งรอบด้านแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้เข้ามาบวชในครั้งนี้ถ้าเราทํำแบงนั้นได้ใจของเรามันจะตัดสิ่งที่รบกลุงมลังในจิตใจของเราออกเป็นขบวนเลยสิถึงยังไงถึงจะโง่เง่าเต่าตุนถึงจ ะ, ะเฉลียวฉลาดถึงจะมีราบยุศสนรเสวนยังไงข้าพเจ้าก็จะอยู่ในหลักพระธรรมวิ่นยัยจะยดพระธรรมไมนายเป็นหลักทางด้านจิตใจนี่ยถ้าคิดได้อย่างนี้นะอยู่ที่ใดก็เป็นสุขไปที่ใดก็เป็นสุข อยู่ในหมูในเพื่อนก็เป็นสุขคณะสัตยาญาติโยมมาเกี่ยวข้องก็เป็นสุขเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเหมือนน้ำกับน้ํามันอย่างนั้นน่ะเรานี่คือเราเราเนี่ยต้องการความพ้นทุกเท่านั้นเหมือนกับน้ํามันเอ่อคณะสัตยาญาติโยมใครมาเกี่ยวข้องหมูพวกเพื่อนก็ตามอ น, นั้นเหมือนกับน้ําเราเป็นตัวของเราอยู่เสมอแต่เราก็เห็นคุณค่าว่าควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ หมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ญาติโยมอย่างไรทุกระดับเราต้องมีน้ำใจคนมีธรรมและต้องมีน้าใจนะถ้าคนมีธรรมในจิตใจนะมีน้ำใจมีเมตตาอยู่ในนั้นเสร็จความพอเหมาะพอดีจะอยู่ในนั้นแต่ถ้าว่าคนที่ขาดธรรมะแล้วจะขาดน้ำใจมีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครต่อใครถ้าเป็นลักษณะยั้งดแบบกิเลสอยู่ในใจ ถ้ามีทาอยู่ในใจแล้วเราจะไปโกรธไปเกลียดไปอาฆาตพยาบาทให้โง่ทำไมของเขาของเราเขาคือเขาใช้กรรมของเขาถ้าเขาร่ำรวยก็คือกรรมดีของเขาเขาทำมาในอดีตที่เขาได้เป็นใหญ่เป็นโตยศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยก็บุญของเขาในอดีตเราจะไปอิจฉาเขาทำไมเมื่อเราขี้เกียจทำบุญเราก็จนน่ะสินี่ มันมองเขามองเรามองเป็นธรรมไปหมดแต่ถ้าว่าจิตใจมีกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจแล้วถ้าใครสูงกว่าไม่ได้เท่านั้นแต่พยายามแย่งชิงหรือว่าพูดกันแหนกะันแหนเป็นที่ขวางหูขวางตาของคนทั้งหลายเหมือนกันเพราะฉนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตใจดวงใดจิตใจดวงนั้นจะมีความสงบร่อนเย็นเป็นสุขมองโลก รู้เขารู้เราว่าควรจะวางตัวยังไงควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้คณะัท่าย ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอย่าไปโกรธให้แก่ใครจนเกินไปโกรธคือโกรธให้ง่ทำไม เ, เขาก็ใช้กรรมของเขาเขาใช้บุญของเขาเขาเกิดมาเขาก็ใช้กรรมของเขาอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไม่รู้ย้ายไปไหน เขาก็ไปทางหนึ่งเราก็ไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าว่ามีบุญวาศสนาบารมีเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ได้มาพบมาเจอกันอีกจากนั้นก็ได้ร่วมสร้างบามีด้วยกันอีกเห็นกันก็ถูกชะตากรรมของกันไแต่ถ้าหากว่าคนปิดฉาพยาบาทกันพอตายไปชาตินี้ไปเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเห็นกันเท่านั้นแหะมันขวางตาทันทีนะเเพราะเหตุได พราะชาติที่แล้วมันก็ขวางเหมือนกันเป็นอริเป็นศัตรูกันพอเกิดมาชาตินี้กับมันก็ขวางให้พวกเราสังเกตสังเกตดูนะอ ห, หลวงพ่อเนี่เคยสังเกตมาหลายครั้งนะแต่ถ้าวาคนคนเราเนี่ยวางคนก็ไม่มีอะไรนะเฮีขี้ร้ายกีเละพูดก็ไม่เก่งแต่พูดเข้าไปแล้วก็ถูกฉลกกันกันถูกชะตากันเหมื้นกันแพูดไปกันได้แต่บางคนเนี่ยถึงจะร่ํารวยมีหน้ามีตาก็จริง แต่พอมาพูดแล้วมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเหละพอพูดขึ้นมาแล้วมันยังไงยังไงให้เพราะเหตุไรหลวงพ่อบอกคงจะเป็นอดีตอดีตกรรมไะอดีตกรรมคงจะได้ทําความไม่เข้าใจกันในอดีตเนะี่ยมาเกิดมาพบนี้ชาตินี้มันก็เลยมันยังไม่เข้ากันว่างั้นแหละเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรู้เ อ, อเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องรู้ว่าควรปฏิบัติยังไงอันนั้นคือกิเลสนะ ถึงจะอดีตชาติเขาเถอะมันคือกิเลสนะเราจะไปยึดเราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมีเมตตาธรรมในจิตใจนี่แหละถ้าว่าเราเป็นครวญญาติยาโยมหลวงพ่อบอกควรจะคิดอย่างนั้นอีกเหมือนกันอย่าไปอิจฉากันอย่าไปโมโหโกธาให้แก่กันโกรธแล้วอย่างนั้นบางทีเห็นเขาทำผิดเราก็โกรธให้เขา ไม่รู้จะโกรธไปทําไมเขาก็ไม่รู้ว่าเราโกรธให้แก่เขาพรในที่สุดเนี่ยเส้นเลือดในมสมองเสง้นเลือดในศีรษะตัวเองแตกอีกต่างหากแหอตัวเองเลยเสียอีกต่างหากางัน้นไะทั้งที่เขาก็ไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องกับเราอะไรแต่เราไปโกรธให้เขาไปพยาบาทอาฆาตจองเวียนเขาอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดคือให้มีเมตตาโลกทั้งโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละ ถ้าเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราก็เห็นอย่างนี้ถ้าเราเกิดมาพบนาชาตินาอาจจะยิ่งกว่านี้ไปอีกนะอถ้าเราเกิดในยุคกรุงศรีอยุธยาเนะี่ยชู้รบกับพมานะ่าเนี่ยคงจะไล่เอาหอกเอาเหลาอะไรไล่ทิ่มแทงกันแถวทุ่งอยุธยาเลยแถวสุพรรณเลยจะขนาดไหนว่างั้นแต่อันนั้นแปลว่ามันยุกหน้าคิดเหมือนกันนะเป็นยุคที่น่ากลัวเหมือนกัน แต่ยุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่าถึงขนาดนี้เราก็ยังเป็นทุกข์เป็นร้อนนะมันเรื่องเราอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องทําใจของเรานะ ค, คือให้มีเมตตามีเมตตาต่อกันเราจะไปมีส่วนเข้าไปอีกถ้ามีส่วนเข้าไปอีกก็ไปเสริมเข้าไปอีกทะเลาะกันอีกหลวงพ่อว่าเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดเราอยู่กลุ่มนี้เราก็ด่ากลุ่มนูน้นเมื่อเราอยู่กลุ่มนูน้นเราก็ด่ากลุ่มนี้ เดี๋ยวนี้เราเกิดเป็นคนไทยเราก็ะวัติพม่าไม่ไดีอย่างนู้นเพราะประวัติศาสตร์เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปเกิดอยู่ที่พม่าเนอ่ยประวัติศาสตร์ของพม่าเขาบอกเฮ้ยคนไทยมาแย่เรามาลุกล้านเราเราก็สอนมวยให้แกเขาซะเน่ยไทยมาเผาเราก็ไม่รู้กีก่ครั้งอ่ยเขาก็คงจะมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นอีกเหมือนกันเมื่อเราเป็นไทยแล้วก็ดา่าเขมีเนี่ย เนี่ยมินไม่ทีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้เออไม่จริงอย่างนู้นอย่างนี้ไม่จริงใจอย่างนู้นอย่างนี้เนีเขาเป็นขมิ้นเขาก็ด่าไทยอีกเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเผื่อวันเราไปเกิดเป็นขมิเถนี่เนี่ยเราไปเกิดที่เมืองขมินเนี่ยมันไม่แน่เหมือนกันในการเกิดนะเราไปเกิดเป็นขม้นเราก็ด่าไทยเนี่ยเราไปเกิดเป็นพม่าเราก็ด่าไทยเรามาเกิดเป็นไทยก็ด่าพม่าด่าขมินเน่ยมันลักษณะอย่างนี้แหละ การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสูงสารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นขณะ น, นี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เราทำตนให้เป็นคนดีเราขาดตกบกพร่องอะไรบ้างในการเป็นอยู่ของเราเรามีเมตตาเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพร้อมหรื อ, อยังนี่แหละถ้าพวกเรามองตัวเองอยู่อย่างนี้นะคนนั้นก็มองต่างคนต่างมองตัวเองโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุข อยู่ในครอบครัวก็ครัวก็เป็นสุขเพราะต่างคนก็ต่างมองตนเองลูกก็ยับมองพ่อมองแม่ไปทางอากุศลพ่อแม่ก็มองลูกเป็นอกุศลต่างคนก็ต่างมองกันในทางที่ไม่ดีนั่นแหละความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราอันนี้เป็นแนวแถวของพุทธะนะพระพุทธเจ้าสอนให้มีเมตตาธรรมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะถ้าเรามีเมตตาธรรม อยู่ในจิตในใจแล้วในอยู่ในสถานที่ใดเห็นกันก็มีแต่ความเอือเฟือ้อเอืออรีสงเคราะห์ซึ่งกันและกันความสงบร่มเย็นเป็นถุกก็จะเกิดขึ้นนะในชุมชนของพวกเราไม่เป็นอย่างอื่นนะในวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับปฏิปทาพระทุดงกรรมฐานถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับมหาวิทยาลัยเปิดครูบาอาจารย์มีแต่แนะนาสั่งสอนให้แนวทาง ปฏิบัติอย่างนี้นะนั่งสมาธิอย่างนี้เดินยกกลมอย่างนี้นะกาหนดพิจารณาอย่างนี้นะเมื่อจิตรวมแล้วให้พักผ่อนในจิตสงบสะก่อนเมื่อจิตสงบพอเป็นพื้นฐานแล้วจิตได้พักผ่อนแล้วนำมาพิจารณาวิปัสสนาอย่างนี้นะอันนี้คือครูบาอาจารย์เนะี่ยท่านไม่ได้สอนทุกวี่ทุกวันไม่ได้เอามาสอนตัวต่อตัวงหนเแต่ถ้าองค์ไหนมีความขัดข้องในใจหรือว่าภาวนามันติดขัด ก็เข้าไปกราบท่านก็ถามท่านเป็นส่วนตัวว่ากผมเป็นอย่างนี้ใจเป็นงนี้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับหลวงปู่ครับครูบาอาจารย์ครั บ, บ, รบท่านก็จะให้คําแนะนําำคือท่านจะไม่ได้สอนแบบทุกวี่ทุกวันะสอนแบบมหาวิทยาลัยเปิดนะ่ะแล้วก็ให้พวกเราท่านนั้งหลายมีน้ําใจอยู่ในสถานที่ใดให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจผู้ที่จะทํางาน หน้าที่การงานใดก็ตามต้องมุ่งมั่นในหน้าที่การงานนั้นต้องพิเคราะห์ต้องใช้ปัญญาว่าการงานที่เราทําไปนี้เป็นยังไงอย่างที่ต้องเป็นนักบวชผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนา อ, อผู้ที่จะบวชเพียงชั่วครั้งชั่วคราวอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งเพราะจะบวชเพียงชั่วคราวข้าพเจ้าจะได้บวชในครั้งนี้เพื่อบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าจะบวชเพียงเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็คือการบวช แต่ถ้าว่าจะบวชตลอดไปตลอดไปข้าพ เ, เจ้าได้คิดดีแล้วในการบวชในครั้งนี้ทั้งอดีตทั้งอนาคตชีวิตของพระเป็นยังไงชีวิตของคราว่าตเป็นยังไงถ้าเราวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วก็นั่นละ่ะตัดสินใจโดยเด็ดขาดอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยตรงนั้นอันนั้นถ้าพวกเราทําอย่างนั้นได้นั่นละ่ะชีวิตของนักพรตก็ดีในชีวิตนักบวชก็ดีจะร่มเย็นเป็นสุขในภาคกาสาวพัฒ แต่ถ้าว่าพวกเราเข้าไปแล้วยังมีหลายแง่หลายมุมหลายเล่หลายเหลี่ยมกิเลสมันออกทางโน้นก็วิ่งไปตามกิเลสออกทางนี้วิ่งไปตามกิเลสมันออกหลายทางเหลือเกินเดี๋ยวก็ต้องการลาบต้องการยศต้องการชันสูตรเยิอนยออะไรทุกอย่างเราจะเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็คือชีวิตของนัก บ, บวชแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราดูตนเองอย่างที่ว่านั่นแหละเท่ประเทศชาติของเราเดี๋ยวนี้กําลัง วุ่นวายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนั่นน่ะได้กลุ่มนี้กระดากลุ่มนั้นได้กลุ่มนั้นกระดากลุ่มนี้เกิดเป็นไทยกระดาขมรกระดาฝ e ่าอย่างที่ว่าเนะี่ยเพราะนั้นพวกเราให้มองตนเองถ้าพวกเรามองตนเองแล้วรู้จักวิธีแก้ไขจะแก้ไขยังไงในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าแก้ไขไม่ได้กับเนี่ยนะ่ะทำของพระพุทธเจ้ามีทั้งสี่อย่างเมตตาก็มีกรุณาคก็มีมุทิตาก็มีอุเปกขาก็มีนะ แน่ท่านไม่ใช่ว่ามีเมตตาอย่างเดียวนะทาเรามีเมตตาเขาม่มีเมตตาเนี่ยเขาก็ทำร้ายเราได้อีกเหมือนกันพอถึงที่สุดเราก็ต้องอุเเปกขาพระพุทธเจ้าอุเเปกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงค่าววิบัติแล้วเราจะทำยังไงถ้าเป็นลักษณะ น, นั้นเราจะทำยังไงเราก็ต้องมองตนเองอีกเหมือนกันว่าเออข้าเกิดในยุคนี้คราวนี้เกิดมาใช้กำ ร, รจริงวะ เกิดมาใช้กลัมเราทำกลัมอันไหนไม่ดีไว้หนอจะมาเกิดในยุคนี้สมัยนี้ถ้าเราทำกลัมดีชีวิตของเราก็คงจะราบรื่นคงจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนานับประการนะอันนี้ก็คือเราก็ต้องมองตนเองอีกเหมือนกันนะคือว่บโปรงตกวบบงั้นให้มองตนเองมองกลัมคือการกระทํเพราะนั้นในขนาดนี้พวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาต่างๆได้พบบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์คืออะไรบัณฑิตนักปราชญ์ก็คือศีลห้าทานศีลภาวนาพระธรรมแปดหมพันพระธรรมขันนั่นแหละคือบัณฑิตนักปราชญ์เราเข้าไปคบค้าสมาคมและไปศึกษาจากนั้นก็นำํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติคือบัณฑิตนักปราชญ์สอนอย่างไร เราก็ปฏิบัติตนอย่างนั้นนั่นแหละความสงบรล่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะค่ะนักทาญาติโยมลูกหลานนะี่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะไปทางไหนละ่ะหลวงพ่อย้ําอยู่เสมอว่าใครเกิดมาท่านเขียนวีสาวไปให้แล้วยมมาทนะูตน่ะอยมมาทูตเขาเขียนวีสาไว้ให้แล้วเกิดขึ้นมาวันดีคืนดีก็เออคุณอยู่พอสมควรแล้วนะอยู่ในชีวิตมนุษยนะ์น่ะ ห้าหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วนะสามสิบยี่สิบปีแล้วนะเอากลับประเทศได้ผลที nice. Remember, ่สุดก็น่ะวีซามาถึงก็ต้องกลับพวกเราเผาขึ้นเมนส่งเครื่องเครื่องบินคือส่งขึ้นเมนน่ะเผากันไม่รู้กี่ศพพอกลับแล้วหายเงียไปคนนั้นไม่กลับมาอีกกลับมาพบน้าชาติหน้าก็เป็นคู่เป็นคนเป็นเด็กขึ้นมาใหม่อีกปฏิสนธิเข้ามาใหม่เกิดมาเขาก็ให้วีซ่าอีกนี่แหละ อันนี้ก็คือชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะถึงจุดจบนะก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องบินะเราได้เตรียมสเสบียงเดินทางไว้เพียงพอหรือยังนี่พระพุทธเจ้าเคยสอนนะเคยสอนพราหมพราหมก็คือผู้มีอันจะกินเจ้าของล้านทองที่กรุงสวัสดีแต่ลูกชายไปวัดทุกวีทุกวันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้สําเร็จพัสดูดาบัน แต่พ่อไม่เอาฐานเหมือนกันอะอยู่ในบ้านไม่ยอมไปไหนมีแต่ทํามาค้าขายดูแลร้านเหมือนกันน่ะลูกชายเนี่ยจะเอาอยัางไงจะให้พ่อเข้าวัดนพ่อก็ไม่ยอมเห็นทางเดียวเท่านั้นนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันในบ้านไงกลยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านก่อนที่ท่านจะไปที่ไหนนะก่อนที่ท่านจะรับนิมนต์ท่านก็มองอีกเหมือนกันว่าเออเราไปนี่จะได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่ว่าท่านไปแล้ว ท่านล้านทองจะถวายเงินถวายทองท่านพราะพุทธเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นนะท่านจะได้ใจเขาอย่างไรท่านจะสอนใครบ้างที่จะเกิดประโยชน์ในการไปในครั้งนี้ท่านก็มองเห็นพราหมณ์ที่เป็นพ่อเออถ้าเราไปในเะขาคงจะเข้ามาฟังธรรมแล้วเราจะเทศให้เขาฟังและเขาจะได้สําเร็จเป็นพระ อ, อริยบุคคลชั้นต้นคือพระโสดาบันนั่นแนะพระพทธองค์ท่านมองดูแล้วนะมองเสร็จแล้วท่านก็ไปรับเหมือนรับบินฑบาตจากเ อ, อ ออกาทองที่เป็นลูกชายพอไปเลยพระพุทธองค์ก็ไปสันพรตทหารพอฉันเสร็จแล้วพระุทธองค์ก็พรามณ์แต่เไม่รู้จะไปทางไหนนี่เพราะพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบ้านแล้วก็ต้องเข้ามากราบนะีเข้ามากราบพร้อมกันพระพุทธองค์ก็เห็นเขามากราบพรุทธองค์ก็สอนเลยทีพรเขามาใกล้เลยท่านก็ว่าดูก่อนพรามณ์ท่านจะต้องเดินทางไกลนะท่านได้คิดยอะไร แล้วท่านได้เตรียมเสบียงเดินทางไว้พอได้อย่างแล้วท่านจะไปพักที่ไหนท่านได้คิดไว้ไหมเเต่ท่านจะต้องเดินนะจะต้องเดินทางนะเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดไว้ให้ดีถ้าไม่คิดไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมเสบียงเดินทางน่ะท่านทุกลําบากนะท่านจะลําบากนะแต่ถ้าว่าท่านเตรียมพร้อมการเดินทางของท่านก็จะได้รับความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมพร้อมท่านพร้อมหรือยังแะ พระพุทธองค์ท่านบอกท่านว่าเดินทางนั้นคืออะไรพรามท่านจะต้องตายนะเนี่ยความหมายแต่ว่าก่อนที่จะตายนั้นท่านได้สร้างบุญกุศลไว้หรือยังเมื่อตายไปแล้วท่านจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนท่านจะไปพักอยู่เป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดที่ไหนท่านได้คิดไว้หรือยังเนี่ทิศทางเดินไปข้างหน้าท่านตั้งใจไว้อย่างไรท่านพร้อมหรือยังพรามแตอนนั้นก็สะดุ้งเลยว่างั้นแท้เนี่พรามท่านก็ เหมือนกับท่านก็มีบุญวาสนาบารมีอยู่แล้วแต่พอสะกิดเท่านั้นเองท่านก็เข้าใจในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีสร้างทั้งทางโลกสร้างทั้งทางธรรมเลยทางโลกก็คือการทํามาค้าขายไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ทางธรรมนี่ก็ท่านก็สังสมบุญกุศลไปพร้อมกันท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระสูดาบันในที่พระพุทธเจ้าไปเทศในวันนั้นนี่แหละ อันนี้เป็นคติธรรมอย่างดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเคย้าว่าเป็นตัวอย่างที่พระพุทธยาสอนพรามที่กรุงสวรรคถีนั้นพวกเราเนี่ยได้เตรียมพร้อมอะไอย่างที่พวกเราจะเดินทางนี่แหละอันนี้พูดไปเหมือนกับออหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกับเอากรลังเอากรลัมาขู่กันและเอาความตายมาขู่กั น, เ, นเพื่อจะให้คนทาคุณงามความดีไม่ในทาความชั่ว เอากล้ำคือการกระทาอย่าทาชั่วนะหรือว่าตายแน่นอนนะเหมือนกับเอากล้ำนึกความตายมาขู่กันแต่ตามไม่จริงไม่ใช่เราจะคิดอย่างนั้นเราคิดเป็นอกุศลมานั้นถ้าคิดให้ดีแล้วคือเอาของจริงมาพูดให้กันฟังเอาเรื่องจริงมาพูดให้กันฟังเพื่อการศึกษาคิดดูให้ดีสิจริงอย่างนั้นไหมเนี่ยเราต้องคิดนะไม่ใช่ว่า คนไหนพูดเข้ามาแล้วก็เป็นอริเป็นศัตรูของเราหมดถ้าไม่ถูกใจเรานะ่ะมันไม่ไถ่าอถึงจะถูกใจเล่นไม่ถูกใจก็ตามถ้าเขาพูดไปแล้ว เ, เป็นธรรมถูกต้องด้วยหลักเหตุผลเราก็ต้องยอมรับ อ, อันนั้นคือใจของเราเป็นนักปราบนะถ้าใจของเราเป็นภาละชนแล้วเราจะไม่ยอมรับทั้งหมดถ้าไม่ถูกใจเราเพราะนั้นขอให้พวกเราเป็นปราบนะเป็นนักปราบสิ่งไหนที่ถูกต้องมาฟัง และการกันกลองไต่ตองด้วยเหตุและผลสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนิ่ที่ได้ยินได้ฟังนั้น<ฮ>ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบแล้วก็นํามากันกลองอีกครั้งหนึ่งอันนี้ภาวนามยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้สามทาง คนนั้นพวกเราเปิด เ, ออเปิดฝาตุ่มฝาโอ่งไว้เวลาฝนตกมาจะได้ฟังน้ําฝนก็จะได้เข้าสู่ตุม่มสู่โอง่งจากนั้นเราก็ได้นํามาคิดนํามาพิจรารณาแต่ถ้าว่าปิดฝาตุ่มฟ้าโอง่งฝนตกลงมาเท่าไหร่เราก็ปฏิเสธหมดไม่ฟังเหตุฟังผลอะไรทั้งหมดแล้วก็ปิดหูปิดตาตัวเองหมดอันนั้นแปลว่าเป็นภาละชนน่ะ ไม่ยอมฟังเหตุผลใครทั้งหมดเป็นภารลชนถ้ายอมฟังหลักเหตุผลแล้วว่าเป็นปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์นะเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะฝึกหัดเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เอาไว้การได้ยินได้ฟังนะต่อเ น, นื่องไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรแล้วก็พวกเราให้อุทิศส่วนกุศลนะวันนี้เป็นวันเดินก้าเข้ามาปีใหม่ไทยเนือเมื่อวานเป็นวันสงกราน เริ่มต้นสักกาชปีใหม่วันนี้ก็พวกเราเรียนมาทำบุญในพระพุทธศสาสนาก็ให้อุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายที่ท่านเหล่านั้นล่วงลับไปทั้งอดีตชาติทั้งปัจจุบันในชาติถ้าว่าท่านตกทุตกข์ได้ยากก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราในชาตินี้ก็ขอให้พวกเราพี่น้องวงศานาญาตเจริญ ยิ่ง้วยอายุวั น, นะสุขภาระนะล่ำรวยโชคดีท่วนหน้ากัน น, นี่แหละคืออุทธส่วนกุศลนะตอนนี่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุรา